อยากแก้ไขอยากจัดการยิง่งพอไปถามใครเขาบอกท่านติดอารมณ์พอได้ยินคําว่าติดอารมณ์นี่ยิ่งหนักเลยนะ <g ül> มันก็ไม่ยอมจะติดอารมณ์จริงๆเป็นภาษาสมมติพูดเฉยๆนะเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นกระบวนการการเรียนรู้เฉยๆตอนนั้นเราตมาเขา้าเก็บรมคนเดียวนี้พอออกทิงท้งทิ้งๆิ้งไปมันก็หายพอเริ่มเลียงเียงความเปลี่ยนขึ้นหม่มัก็เริ่มก่ อ, ต, กอตัวขึ้นก่อตัวขึ้นก็มาตึงที่ขำว่หนักหัวแน่น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 หลงวลลงเทียนนั้นเคยดูพระลูกหนึ่งปฏิบัติทำตื่นขึ้นมานี้เดี๋ยวทุ่งปฏิติก็พับนันนั้นนี้คุ๊กกิ๊กว่าจะออกจะมุ้งด้เป็นจะ ม, มุ้งกุ๊กกิ๊กๆิ๊กยิบนอนยิบ น, น, น, นี่เป็นสิบนาทียี่สิบนาทีเป็นชั่วโ ม, มงกระบาแล้ว่นนะอันนั้นเป็นนิสัยกิเลสเรานี่จะยุกยุกยิบยิบยุ่งกันนั้นยุ่งกันนี้ใช่บางคนนะขอโทษนะอย่างโยมโยมพวกเรานี่ปฏิบัติทำโยมผู้หญิงเนื่อยทำนะไม่รู้ถือไปทำไมไอ้กระเป๋านะ่ะ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 เห็นไหมกลมเงยเห็นไหม